ส, สัมหัสสยองเจอดีที่บ้านของเพื่อนแม่เมื่อสี่ปีก่อนซึ่งเป็นวันหยุดเทศกาลปีใหม่ผมได้มีโอกาสไปเที่ยวบ้านเพื่อนของแม่ที่จันทบุรีพวกเราไปกันทั้งหมดห้าคนมีแม่ผมเพื่อนผม ลาวุ่นพี่สองคนเมื่อไปถึงที่บ้านเพื่อนแม่แกก็ชวนพวกเราไปเก็บงอะที่สวนเพราะกลับมาจากสวนงาะก็ใกล้ค่ำแล้วรุ่นพี่ผมคนหนึ่งก็ชวนผมออกไปซื้อเบียร์มานั่งกินกันพวกเรานั่งดื่มกันไปเรื่อยจนถึงสามทุม่มป้าก้อยที่เป็นเพื่อนของแม่กับแม่เป็นคนที่ค่อนข้างนอนเร็ว รุ่นพี่อีกคนที่นั่งดื่มด้วยกันเธอเป็นหลานของปากอยด้วยความเกรงใจปาก้อยกับแม่เขาจึงบอกพวกเราว่าไปนั่งที่บ้านอีกหลังหนึ่งดีกว่าไม่มีคนอยู่จะได้ไม่รบกวนปากอยกับแม่ที่นอนอยู่ขณะที่พวกเราเก็บของและกําลังจะเดินไปปากอยก็ลุกมาจากที่นอนถามพวกเราว่าจะไปไหนกัน ร้านของป้าก้อยจึงตอบไปว่าจะไปนั่งกินเบียร์กันต่อที่บ้านหลังเก่าแล้วก็นอนที่นั่นเลยป้าก้อยดูสีหน้ากังวลเล็กน้อยแต่แกก็บอกว่าได้และกำชับว่าห้ามเปิดประตูห้องชั้นสองที่อยู่ด้านขวาของบันไดพวกเราก็รับปากแกว่าจะไม่เปิดห้องนั้นป้าก้อยย้ำไม่อีกทีว่าห้ามเปิดประตูชั้นสอง ด้านขวาของบันไดเด็ดขาดจากนั้นพวกเราก็เดินกันไปยังบ้านหลังนั้นบ้านหลังนั้นเป็นบ้านหลังเก่าที่ป้าก้อยเคยอยู่มันเป็นบ้านทรงไทยโบราณสองชั้นสภาพของบ้านค่อนข้างเก่ามากเลยทีเดียวเมื่อพวกเราเข้าไปในบ้านก็เห็นว่ามีฝุ่นกับใ ย, ยแมงมุมอยู่เต็มไปหมด ลานของปะก่อยก็เดินสำรวจแล้วขึ้นไปยังชั้นสองบอกว่าขึ้นมานั่งกินเบียร์กันที่ชั้นสองดีกว่าไม่มีฝุ่นหรือยายแมงมุมเลยพวกผมจึงตามขึ้นไปบนชั้นสองเมื่อขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วผมก็รู้สึกแปลกใจมากเพราะมันสะอาดเหมือนกับมีคนอาศัยอยู่เลยที่ชั้นสองนี้จะมีอยู่สองห้อง ห้องหนึ่งอยู่ด้านหน้าตรงกับบันไดส่วนอีกห้องจะอยู่ด้านขวามือที่ปะก่อยบอกว่าห้ามเปิดเด็ดขาดพวกเราจะไปนั่งกินเบียกกันตรงห้องที่อยู่ด้านหน้าของบันไดพวกเรานั่งดื่มกันไปได้สักพัก จ, จู่ๆไฟก็ดับลงจึงใช้แสงไฟจากโทรศัพท์แล้วนั่งดื่มและคุยกันต่อจนถึงเวลา ห, าห้าทุมแล้ว ไฟก็ยังไม่มาแบตโทรศัพท์ก็จะหมดรุ่นพี่คนก็บอกว่าช่วยกันเดินหาเทียนดีกว่าก่อนที่แบตโทรศัพท์จะหมดพวกเราสี่คนก็ช่วยกันหาเทียนทั้งชั้นบนและชั้นล่างแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่พบผมจึงนึกขึ้นได้ว่ามีที่เดียวที่ยังไม่ได้หาคือห้องที่อยู่ด้านขวาของบันไดที่ป้าก้อยบอกว่าห้ามเปิด ผมนึกในใจว่าหากเปิดหาเทียนเพียงแป๊บเดียวคงจะไม่เป็นไรผมจึงตัดสินใจเปิดเข้าไปเมื่อเปิดเข้าไปแล้วสิ่งที่ผมเห็นก็คือโต๊ะมันเหมือนกับโต๊ะพิธีอะไรสักอย่างมีของวางอยู่เต็มไปหมดแต่ผมก็ไม่ได้สนใจแล้วมองหาเทียนที่ห้องนั้นมันก็มีเทียนอยู่จริงๆเป็นเทียนเล่มเล็กๆ เหมือนที่ใช้ตามบ้านทั่วๆไปเทียนเล่มนั้นมันถูกใช้แล้วแต่ผมก็หยิบมาตะโกนบอกรุนพีว่าเจอเทียนแล้วจากนั้นก็กลับไปที่ห้องหน้าบันไดอีกครั้งนำเทียนเล่มนั้นมาจุดแล้วก็นั่งดื่มเบียร์กันต่อพวกเราดื่มกันไปเรื่อยๆจนเบียร์หมดพอเบียร์หมดไฟฟ้าก็มาพอดีรุนพีก็บ่นว่า มาติดอะไรตอนเบียร์หมดวะเนี่ยจะนอนกันอยู่แล้วตอนนั้นเป็นเวลาตีหนึ่งใกล้จะตีสองแล้วเพื่อนผมก็บอกว่าง่วงนอนกันดีกว่าผมก็ตอบตกลงแล้วปิดไฟแต่เพื่อนมันบอกกับผมว่าเปิดไฟไว้ดีกว่าเพราะมันกลัวผีและไม่คุ้นสถานที่ด้วยจากนั้นทุกคนก็นอนหลับไปมีเพียงแต่ผมที่ยังนอนไม่หลับ ขณะที่กำลังนอนอยู่นั้นผมก็ได้ยินเสียงปิดประตูที่ห้องด้านขวาของบันไดมันถูกเปิดออกแล้วก็ปิดทั้งทั้งที่ไม่มีคนอยู่หลังจากนั้นก็มีเสียงเดินเสียงนั้นค่อยๆเดินมาทางห้องที่พวกเรานอนกันอยู่แล้วหยุดอยู่ตรงหน้าประตูสักพักประตูห้องก็เปิดออกอย่างช้าชา้า แล้วสิ่งที่ผมเห็นก็คือผู้หญิงแก่ใส่ชุดไทยเธอเดินตรงเข้ามาหาพวกเราที่นอนเรียงกันสี่คนแล้วหยุดหยุดตรงปลายเท้าจากนั้นก็เดินผ่านที่ปลายเท้าของพวกเราวนไปวนมาอยู่สามรอบแล้วก็มาหยุดที่ผมซึ่งนอนอยู่ริมฝั่งทางด้านซ้ายหญิงแก่คนนั้นหันมามองที่ผม ทำหน้าเหมือนกับไม่พอใจผมกลัวมากจึงหันหน้าหนีไปอีกทางหนึ่งแต่หญิงแก่ก็เดินมาหยุดตรงหน้าผมมีไม่ว่าผมจะหันหน้าหนีไปทางไหนหญิงแก่ก็จะเดินไปทางนั้นผมกลัวมากจนทนไม่ไหวหยิบผ้าห่มขึ้นมาคลุมโปง่งตอนนั้นรู้สึกได้ว่าหญิงแก่คนนั้นกําลังขยับเข้ามาใกล้ผมเรื่อย เธอดึงผ้าห่มที่ผมใช้คลุมหมอะแล้วยืนหน้าเข้ามาใกล้จนห่างกับผมแค่สองคืบเท่านั้นผมตกใจช็อกมากจนแหกปากร้องลั่นบานเพื่อนแลรุนพีที่นอนหลับไปแล้วก็ตื่นถามผมว่าเป็นอะไรผมช็อกตาค้างไม่ตอบสนองต่อสิ่งที่พวกเขานั้นพูดพอผ่านไปได้สักพักสติผมก็เริ่มกลับคืนมา จึงเล่าให้พวกเขาฟังว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อทุกคนได้ฟังดังนั้นก็ไม่มีใครกล้าหลับอีกเลยพวกเราลอกันจนเชา้าก็รีบกลับไปบ้านหลังที่แม่กับป้าก้อยอยู่แล้วก็เล่าเรื่องที่เจอเมื่อคืนให้ฟังป้าก้อยถามผมว่ามีใครไปเปิดห้องชั้นสองที่อยู่ด้านขวาของบันไดไหมผมก็รับสารภาพไปว่าเป็นคนไปเปิด แลาบอกว่าเพราะไฟมันดับจึงไปเปิดเพื่อหาเทียนแล้วหยิบเทียนที่โตมาเมื่อปะกอยได้ฟังก็ตกใจมากแล้วรีบพาพวกผมไปขอขมาในทันทีหลังจากนั้นปะกอยก็บอกกับผมว่าห้องนี้เป็นห้องของยายบุญคุณยายของปะกอยซึ่งตอนที่แกยังมีชีวิตอยู่แกเป็นคนที่ห่วงบ้านพอสมควร และไม่ชอบให้ใครมายุ่งในห้องของแกด้วยผมจึงถามไปว่าแล้วโต๊ะพิธีนั้นมีไว้ทำไมแต่ป้าก้อยก็บอกว่าป้าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นโต๊ะพิธีอะไรหลังจากที่พวกเราขอขมากันเสร็จแล้วพวกผมก็ลาป้าก้อยแล้วรีบเดินทางกลับกรุงเทพในทันที ผีเด็กชาวเขมรผมชื่ออาร์ตสมัยที่ผมอายุได้ส5้าปีก็ได้ออกบวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งอำเภอสังขระจังหวัดสุรินทร์วัดที่ผมอยู่นั้นเป็นวัดป่าแถวชายแดนขเขมรที่นั่นเคยเป็นวัดของพระขเขมรพราะสมัยก่อนพระที่มาจากกัมพูชา เคยมาใส่จําวัดอยู่แต่ปัจจุบันเป็นวัดของพระไทยแล้วผมรู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งที่นั่นตอนสมัยบวชอยู่ที่วัดจังหวัดระยองเขาชื่อว่าดิ่งดิ่งชวนผมไปอยู่ด้วยกันที่วัดแห่งนี้ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาลักษณะของบริเวณวัดนั้นเป็นป่ามีกุฏิตั้งอยู่ห่างๆกันออกไปตามแบบฉบับของวัดป่าทั่วไป พอผมได้บวชเสร็จหลวงพ่อเจ้ า, าวา่าท่านได้จัดหากุฏิให้ผมอยู่เป็นกุฏิไม้เก่าๆแต่ก็ยังสภาพดีหน้าอยู่ผมจึงจัดแจงทำความสะอาดพอที่จะอยู่ได้เสร็จแล้วก็ได้ไปอาบน้ำเพื่อรอทำวัดเย็นกับพระเนนด้วยกันจนเวลาถึงสองทุม่มก็แยกย้ายกันไปจำวัดพอผมกำลังจะกลับกุฏิก็มีโยมคนหนึ่ง ซึ่งเป็นโยมอุปถากวัดนี้เขาถามผมว่าเน้นไม่กลัวผีเหรอวัดนี้ผีเยอะนะพอผมได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกกลัวอยู่เหมือนกันแต่ก็ใจแข็งพูดออกไปว่าไม่เป็นไรดอกโยมเราไม่ได้ไปทำอะไรเขาต่างคนต่างอยู่แล้วผมก็เดินกลับกุฏิไปพอทำอะไรเสร็จเรียบร้อย ก่อนนอนผมก็สวดมนต์แผ่เมตตาแล้วจึงนอนหลับไปพอนอนกำลังเคลิ้มจะหลับอยู่ๆก็ได้ยินเสียงเด็กอายุประมาณ4ีห้าขวบวิ่งเล่นบริเวณใต้กุฏิของผมประมาณสองสามคนได้ผมก็นอนฟังไปเรื่อยๆและคิดว่าดึกขนาดนี้เด็กที่ไหนจะมาวิ่งเล่นกันพอนึกได้ดังนั้นผมจึงแอ บ, บมอง ลอดลงไปบริเวณแผ่นไม้พื้นกุฏิที่เป็นช่องชองเมื่อผมมองลอดลงไปก็ได้เห็นลักษณะของเงาคล้ายคลเป็นเงาของเด็กที่มาวิ่งเล่นบริเวณใต้กุฏิผมเริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีสักพักก็มีเสียงพูดขึ้นมาว่ามีใครมาอยู่ที่บ้านเรานะผมตกใจสะดุ n g ใจตกไปที่ตาตุม่ม ผนหลังลุกชูชันไม่นานนักก็ได้ยินเสียงอีกมันเป็นเสียงเหมือนกับว่ามีใครหรืออะไรปีนขึ้นมาบริเวณผนังด้านนอกกุฏิที่เป็นไม้ตอนนั้นผมกลัวมากแต่ก็รวบรวมความกล้าเพื่อที่จะไปเปิดหน้าต่างดูว่ามีอะไรหยุดตรงนั้นกันแน่ผมเอื้อมมือไปที่บานหน้าต่างแล้วค่อยๆผลักออกไปอย่างช้าๆ เมื่อหน้าต่างเปิดออกก็เห็นว่าไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเลยมันมีแต่ความว่างเปล่าผมรีบปิดหน้าต่างแล้วเดินกลับมานอนต่อแต่ในใจยังคิดสงสัยอยู่ว่าเมื่อกี้มันคืออะไรกันแน่ผมหลับตานอนคิดจนพลอยหลับไปโดยไม่รู้ตัวเพราะรุ่งเชา้าผมก็ได้ออกบินทบาทตามปกติ ช่วงสายก็ใช้จอบขุดและถางยาทำความสะอาดบริเวณรอบๆกุฏิแล้วผมก็ได้ไปขุดพบกับห่อผ้าสีขาวซึ่งมีอยู่ถึงสามห่อด้วยกันผมรู้สึกใจคอไม่ดีแต่ก็อยากรู้ว่าข้างในมันคืออะไรจึงนำห่อผ้านั้นมาแกะดูแล้วมันก็ทำให้ผมตกใจแทบช็อกเพราะในห่อผ้านั้นผมพบโครงกระดูกมนุษย์ ทั้งสามหอ่อมันเป็นกระดูกของเด็กทั้งหมดผมจึงรีบแจ้งให้ทางท่านเจ้าวาดทราบเพราท่านได้ฟังก็รีบมาดูแล้วสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นกระดูกของศพเด็กตั้งแต่สมัยสงครามขมรแล้วหลังจากนั้นจึงได้มีการทำพิธีแล้วนำกระดูกเหล่านั้นไปฝังไว้ที่อื่นหลังจากเหตุการณ์นั้น ผมก็ย้ายมาอยู่กุติเจ้ า, าวาว่พาพอบวชได้ครบเดือนก็สึกแล้วกลับไปอยู่บ้านที่กาาสินโดนลองของไสยเวมึงมีดีนักเหรอคุณวันชัยเป็นคนที่ชอบเล่นไสยเวและมีเครื่องรางของคลังอยู่มากจึงมักจะมีเรื่องราวแปลกแปลก ที่ได้พบเจออยู่เสมอหากยังจำกันได้เขาเคยได้ฝากเรื่องเล่าอาถรรน์เอาไว้สองเรื่องซึ่งก็คือวัดร้างอาถรร์หนึ่งและสองหากใครยังไม่เคยได้รับฟังก็สามารถย้อนกลับไปฟังคลิปเก่าๆในช่องของเราได้นะครับส่วนเรื่องต่อไปนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้อย่างที่บอกไปในตอนแรกว่าผมเป็นคนที่เล่นสายเวท จึงมักมีคนคิดลองของอยู่เสมอและหนึ่งในนั้นก็คือสำนักทรงแนในอำเภอเดียวกันเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อวันโกนที่ผ่านมาตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสี่ทุมผมนั่งสวดมนต์อยู่ช่วงแรกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่หลังจากที่ผมสวดมนต์เสร็จจูจ่ๆก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเรียกเสียงนั้นมันดังมาจากนอกหน้าต่าง ผมจึงลุกขึ้นเพื่อจะไปดูที่มาของเสียงนั้นพอผมมายืนตรงหน้าต่างก็เห็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งเธอเป็นผู้หญิงที่ผมแอบชอบมานานแล้วผมรู้จักเธอแต่เธอคนนั้นไม่รู้จักผมและคงไม่รู้ว่าผมแอบชอบเธออยู่แต่ในระหว่างนั้นเองผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าผู้หญิงที่ไหนจะมาหาผู้ชายที่ไม่รู้จักดึกดึกดื่นๆแบบนี้ แถมเธอยังอยู่คนละหมู่บ้านกับผมอีกเพราะผมคิดได้ดังนั้นภาพของหญิงสาวแสนสวยก็ค่อยๆเปลี่ยนไปหน้าของเธอเปลี่ยนเป็นใบหน้าญิงแก่ที่ใบหน้าเละมีเลือดและน้ำหนองเต็มไปหมดแล้วเธอก็พูดออกมาว่ามึงมีดีนักหรอพอได้ยินดังนั้นผมก็ไม่รอช้ารีบหยิบเขี้ยวเสือโปร่งฟ้าของเสือสมิง ี่พรานเท่าคนหนึ่งได้ให้เอาไว้นำมาเอาราธนาสักผักก็มีเงาหนึ่งกระโจนออกไปใส่ผีตนนั้นทำให้หญิงแก่ร่างแตกสลายและหายไปเมื่อมองดูดีๆแล้วเงาดำๆที่ผมเห็นเมื่อสักครู่นั้นมันคือเสือตัวใหญ่มีลายสีเหลืองสลับแดงดวงตาแดงกล่ำดูน่ากลัว เสือตนนั้นคำรามเสียงดังแล้วก็สลายหายไปกับลมต่อมาพอถึงวันพระวันนั้นท้องฟ้าเปิดทำให้มองเห็นดวงจันรไดในขณะที่ผมกำลังนั่งสมาธิอยู่ก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังวิ่งอยู่ภายนอกบ้านผมจึงลุกไปดูที่หน้าต่างก็เห็นเงาดำรูปร่างลักษณะคล้ายคนเงานับสิบ วิ่งอยู่บริเวณหน้าบ้านของผมผมคิดว่ามันต้องเป็นปอบแน่ๆเรื่องที่ผมเจอในวันโกนก่อนหน้านั้นมันทำให้ผมเตรียมพร้อมเพื่อจะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ไว้อยู่แล้วผมหยิบควายธนูกับหุ่นพยนต์ขึ้นมาแล้ววราธนาไม่นานนักก็มีเงาพุ่งออกไปจากบ้านของผมแล้วประทะเข้ากับเงาดาที่วิ่งอยู่ ทำให้เงาเหล่านั้นสลายหายไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงส่วนหนึ่งในชีวิตของผมมันอาจจะฟังดูเหลือเชื่อสำหรับคนทั่วไปเอาเป็นว่าประสบการณ์ที่ผมนำมาแบ่งปันเล่าให้ฟังนี้ก็ขอเล่าให้ฟังเพื่อความบันเทิงก็แล้วกัน 怎么使用？